ในช่วง10 12ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตมาก็ทําช่วยเหลือโครงการเนี่ยชื่อว่าโครงการผาเผชิญความตายสงบโครงการที้เนี่งานงานที่ทําไปประจําต่อเนื่องกันมาตลอดปีละหลายครั้งปีละสิบกว่าครั้งก็คือการอบรมหัวข้อเดียวกันเลยผเผชิญความตายสงบคือแนวคิดของเรื่องนี้อยู่ที่ว่าคนเราทุกคนเนี่ย ยังไงก็ต้องตายพวกเราทุกคนในทีท่นี้รลวงพ่อธรรมเนี่ยในสุดก็ต้องตายแลจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าความตายก็เช่นเดียวกับความทุกข์ทั้งหลายก็คือว่าถ้าเราวางใจเป็นเรารับมือกับมันอย่างถูกต้องใจก็ไม่ จำเป็นต้องทุกไปกับมันด้วยความเจ็บป่วยนะแล้วความตา ย, เ, ยเป็นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากเนี่ยเียว่าแทบร้อยท้อร้อยเลยเนียหวาดกลัวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกใจไว้ดีเนี่ยแม้กายป่วยใจไม่ป่วยก็ได้หรือว่าแม้จะต้องตายนะใจก็สงบได้ จริงๆแล้วความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายนะความตายไม่น่ากลัวเท่าความกลัวตายถ้ากลัวตายแล้วเนี่ยนะมันทรมานบางทีอยู่เหมือนตายแต่ถ้าไม่กลัวตายเสักอย่างเนี่ยเราก็สามารถจะรับมือความตายได้ด้วยใจที่สงบการตายยงสงบเป็นไปได้ แล้จากประสบการณ์ของขอาตมาและประสบการณ์ของหลายหลคนที่ทํางานเรื่องนี้เนี่ยสามารถจะพูดได้ว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ตายสงบไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุไหก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระคารวะไม่ว่าจะอายุแค่ใดทุกคนมีสิทธิ์ตายสงบการได้สงบเป็นสิทธิของทุกคนแต่สิทธิเช่นนี้จะเกิดขึ้นกับเราได้เนี่ยเราก็ต้องทําหน้าที่เพราะหน้าที่กับสิทธิ์ทีมาด้วยกัน หน้าที่หนึ่งที่เราควรจะใส่ใจคือหน้าที่ที่จะเตร็มตัวตายหรือหน้าที่หรือตระหนักว่าความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิตความตายเป็นธรรมดาของทุกคนถ้าเราพยายามที่จะเปิดใจให้ยอรับความจริงกันนีเนี่ยก็ถือว่าเราได้ทําหน้าที่ส่วนหนึ่งต่อความตายและเมื่อเราทําหน้าที่ได้ดีสิทธิที่จะตายสนุกก็เกิดขึ้นได้ การอบรมที่ผ่านที่ที่เราทำวันนี้ยเราก็พยานะยามชวนให้ผู้คนเนีมาตระหนักเรื่องนี้แล้วก็มาทําเข้าใจเรื่องความตายเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องความตายความกลัวตายก็จะน้อยลงความกลัวมันเกิดจากอวิชาความกลัวเกิดจากความไม่รู้เมื่อเรารู้ชัดนะความกลัวก็จะน้อยลงนะและสิ่งที่เราควรจะรู้จักให้ดีคือความตาย แล้ถ้าเรารู้จักความตายดีพอแต่เราะว่าความตายเนี่ยมันไม่ใช่แค่วิกฤตแต่มันเป็นโอกาสด้วยความตายเป็นวิกฤตทางกายแต่เป็นโอกาสทางจิตใจหรือทางวิญญาณเช่นเดียวกับเจ็บป่วยมะเร็งเนี่ยอาจจะเป็นวิกฤตทางกายแต่ว่ามันสามารถจะเป็นโอกาสหลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งขอบคุณที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งเปิดโอกาสที่เขาได้มารู้จักธรรมะเอาความตายก็เช่นเดียวกันความตายสามารถจะ เป็นประตูพาเราไปพบสิ่งดีๆหลายอย่างแม้กรทั้งการปฏิรูปธรรแต่ถึงแม้ว่าเราจะไปไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าการที่เราจะพวกความสงบในขณะที่กาลังเดินหน้าสู่ความตายเนี่ย<ม>เป็นไปได้แม้ว่าร่างกายมันจะมีทุกขเวทนาแรงกล้านะแต่ก็อ่างที่บอกนะถ้าเราฝึกฝึกฝึกใจไว้ดีเนี่ยอย่างที่ธรรมะยกตัวอย่าง มาหลายเหตุการณ์หลายกรณีเนี่ยความเจ็บความป่วยมันก็จะไม่ใช่เรื่องความเจ็บความป่วยทางกายก็จะไม่ใช่เรื่องใหญ่ผู้เจ้าเขตัดไว้เองว่าแม้กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยก็ทำได้โครงการเชิงควาวตายสงบเนีน่คือการฝึกเพื่อให้เราพร้อมที่จะรับมือกับความตายมองความตายเป็นเป็นมิตรมากขึ้นแล้วขณะเดีวยวกันก็ สา ม, มารถที่จะแนะนำคนอื่นช่วยคนอื่นให้เขาพบความตายสงบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มามามาอบรมเนี่ยส่วนห่ก็เป็นคนที่สุขภาพดีแต่ว่ากลัวตายเขาก็มามาเรียนมาเข้าคอสเพื่อที่จะได้กลัวตายน้อยลงบางคนก็มีญาติมีที่เจ็บป่วย อยากจะช่วยดูแลเขาให้เขาระเบิอความเจ็บป่วยและความตายได้ด้วยใจสงบและบางคนก็เป็นผู้ป่วยเองอันนี้ก็ก็เป็นก็เป็นก็เป็นงานที่ทำแต่ที่จริงแล้วโครงการนี้ไม่ได้ทำแต่เฉพาะการอบรมนะทำสื่อทำหนังสือล่าสุดนี่ก็เพิ่งออกมาเล่มหนึง่งชื่อว่าประทานกรมความตายนะ เป็นหนังสือที่ช่วยทําให้เรารู้จักความตายในหลาแงาม่มุมทั้งแง่วิทยาศาสตร์ในแง่าศาสนาในแง่เพราะท่านทำประเพณีก่อนหน้านี้ก็ทำหนังสือเรื่องฉลาดทําศพนะแล้วก็มีหนังสือออกมาอีกหลายอย่างอันนี้ก็เป็นส่วนของการการการทําโครงการนี้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยประมาณวันที่เจ็ดทันเจ็ดเมาษาอาทิตย์หน้านี่ใช่ไห เราจะมีการสัมมนาเรื่องเชื่อว่าคืนสู่ธรรมชาติศึกษากรณีการดูแลการดูแลหลวงพ่อคำเขียนสวุวรรณโนชื่อํำนองนี้นะฮะคือเอาบทเรียนจากการดูแลหลวงพ่อตั้งแต่ท่านอาพาธครั้งสึกครั้งที่สองเนี่ยจทั้งมรณะภาพหรือรักสังขารไป ที่หาจุดหมายเหตุนะส่วนโมไกลหน่อยนะแต่ใครที่ อ, อยู่กรุงเทพช่วงนั้นก็ขอเชิญได้นะจะเป็นการเป็นส่วนหนึ่งการที่จะมาถอดบทเรียนแล้วก็สกัดเอาธรรมะรวมทั้งวิธีการเยียวยารักษาผู้ป่วยคือเดี๋ยวนี้มันมีการ การเยียวยาที่ชื่อว่าการแพทย์แบบประคับประคองคือไม่มุ่งยื้อชีวิตแต่ว่ามุ่งที่จะรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีที่สุดให้สุขสบายมากที่สุดแล้วก็ทุกทรมานน้อยที่สุดซึ่งต้องอาศัยมิติ ด, ด้านจิตใจเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเสริมมากเลยดูแลทั้งกายและใจอันนี้ก็กเป็นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนพบว่า การดูแลหลวงพ่อในช่วยที่าอาพาธเนี่ยมันให้ประยนได้ทั้งสองแง่เรื่องธรรมะด้วยแล้วก็เรื่องการเยวยาแบบประคับประคองด้วยอันนี้ก็ก็เล่าพอพอพอเป็นน้ำยานะน้ำจิ้มครับขอบคุณครับก็จะเป็นคำถามนะครับท่านไหนที่ต้องการจะาถามสอบรับก็รสักครู่หนึ่งนะครับ ต า, ามานที่หนึ่งะครับจะฝึกอย่างไรให้มีสติรู้าทาเท่าทันกิเลแบบทั่วพร้อมไม่ใช่เพียงชั่วข่าวแล้วก็หายครับิคือสติเนี่ยมันเป็นขณนะขณะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็เป็นขณะขณะเหมือนกันตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาถึงขั้นนะที่เรียกว่าแทงทละลุวิชาเนี่ยมันก็ยังสติของเราก็ยังเป็น เป็นขณะขณะมันไม่ใช่เป็นสติที่ตอนเนื่อแต่ว่าเราก็ต้องฝึกแบบนี้ก็ไปก่อนฝึกด้วยการที่เรามันมก็ฝึกสองอย่างนะฝึกสองแบบนะอัน น, ะนี้อันที่หนึ่งคือฝึกกับชีวิตประจำวันของเราเวลาเราทำอะไรเนี่ยกม็มีสติรู้ตัวอยู่กับสิ่งนั้นเรื่องตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานะคุณล้างหน้าคุณแปรงฟันนะใจคุณก็อยู่กับการล้างหน้าแปรงฟัน หลายคนเนี่ยเวลาล้างหน้าประังฟันแต่ว่าใจก็เป็นนึกถึงอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวก็จะไปเปิด a c ซ b ุ o k มันงจะไปไลน์มัง่งนะหรือว่าคิดรังแทงเรื่องการทำงานมันะ่งยิ่งเวลากินอาหารแล้วเนี่ยโอ้ใจนี่ฟุ้งมากเลยการเจริญสติง่ายๆคือทำให้มันกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันมันมีหลัก ง, ง่ายๆข้อค่อตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเช่นตอนนี้ตัวคุณ อ, อยู่นี่ใจคุณก็อยู่ตรงนี้ ยั ง, ยงเพิ่มไปอี oh. ไปคิดถึงแม่ไปคิดถึงลูกที่กรุงเทพหรือต่างประเทศเนี <Yeah. S 1> เวลาทํางานใจมันก็อยู่กับงานไม่ใช่เวลาทํางานใจก็นึกถึงลูกคันเวลากลับมาบ้านเจอลูกใจก็นึกถึงงานนะเป็นไงี้ไหมฮะเวลาอยู่ทํางานเนี่ยโอยนึกห่วงลูกมากเหลือเกินลูกที่รักเป็นอย่างไรนะแต่พอมากลับนึถึงบ้านนะตัวอยู่กับลูกนะแต่ใจก็ห่วงงาน เวลานอนก็นึกถึงงานจนนอนไม่หลับพอไปทำงานก็เลยง่วงนอนใช่สติเนี่ยคุณแค่มีสติในชีวิตประจำวันนะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทำอะไรเนี่ยใจยก็อยกสิ่งนั้นสิ่งที่คุณจะได้คือคุณจะเริ่มรู้กายเช่นเวลาคุณอาบนา้ำคุณฟู้ฟันเวลาคุณเดินขึ้นบันไดนะ ถ้าคุณมีสตินะตัวอยู่ในใจอยู่นั่นเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกตัวคุณก็จะรู้กายรู้กายเมื่อเคลื่อนไหวต่อไปเมื่อสติคุณไวัยขึ้นเผอคิดนึกอะไรไปฟุ้งสร้างอะไรไปก็จะรู้ทันใจที่คิดนึกอันนี้สติมันช่วยให้รู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะใจคิดนึกเนี่ยรวมถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะความคิดกับอารมณ์มาด้วยกันเวลาคุณคิดถึง ลูกมื่อาจจะเกิดอารมณ์คือห่วงเวลาคุณนึกถึงแฟนอารมณ์อาจจะที่อาจจะเกิดขึ้นคือดีใจหรือว่าอาจจะขุนมัวเพราะว่าเพิ่งทะเลาะกันเมื่อวานใช่ไหมความคิดกับอารมณ์มันมาด้วยกันถ้าคุณรู้ทันความคิดคุณก็จะรู้ทันอารมณ์ได้ง่ายคือเมื่อคุณรู้ทันอารมณ์ได้ง่ายขึ้นมันก็คล่องกับจิตใจคุณได้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็ถึงตอนนั้นก็ตีแล้วรู้ไม่ใช่แค่รู้กายแต่รู้ใจด้วยใช่ไหม การนี้นอกจากการเจริญสติในชีวิตประจําวันแล้วเนี่ยการเจริญสติในรูปแบบไปเข้าคอร์สหรือว่าไม่ต้องเข้าคอร์สก็ได้แต่ว่าทําในรูปแบบเช่นเดินจงกรมหรือว่าทำแบบหลวงพ่อเทียนหรืงพ่ออมเกียงคือยกมือสร้างจังหวะหรือว่าถ้าทอารอสวดก็คืตามลมหายใจนะอันนี้คือการกา ร, การมีอิเลียบทพิเศษเพื่อช่วยในการเจริญสติซึ่งอิเลียบทเหลา้นเนี่ยมันเป็นคนละส่วนการทํางานหรือการนชีวิตประจําวัน แต่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะฉนั้นไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะทำงานหรือว่าคุณจะเข้าคอร์สหรือปรีกวิเวกเนี่ยก็เป็นโอกาสในการเจริญสติได้ทั้งนั้นแต่ว่าถ้าให้ดีก็เริ่มต้นจากชีวิตประจำวันเริ่มแต่เดี๋ยวนี้นะเริ่มแต่วันนี้ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้เข้าคอร์สถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้รู้รูปแบบที่แน่ชัดในการปฏิบัติก็ตาม นะแล้วต่อไปเนี่ยคุณก็จะฝึกจากเหตุการณ์ที่ไม่ปกติอย่างเที่ยวตามาโยติยาที่อาจารย์พูดเมื่อักครู่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ปกตินะที่มันโอเคแต่ว่าคุณจะต้องฝึกอีกอย่างก็คือต้องรับมือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติมีคนต่อว่ามีคนตนําหนิงานล้มเหลวรถติดนะหรือว่าของหายนะลองใช้สิ่งเหล่านี้มาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกสตินะ คุณจะเห็นคุณจะเห็นความก้าวหน้าของสติได้ได้ได้มากขึ้นเอาสิ่งที่ขัดใจคุณนั่นแหละมาเป็นเครื่องเครื่องขัดกิเลสหรือขัดอัตตาให้ใ ห, ให้เบาบางลงนะซึ่งต้องอาศัยสตินะและต่อไปเนี่ยไม่ใช่แค่ให้มันมาหาคุณต้องไปหามันเลยที่พระทุดงเนี่ยนะที่พระทุดงไปทุดงเนี่ยเพื่อไปหาความทุกข์เพื่อไปเจอกับสิ่งที่ขัดใจ หรือมืองเกษตรจมาจัดทําทุกปีเนี่ยจัดธรรมยถตราธรรมยถตราจัดทุกปีหลวงพ่อเขียนท่านเป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ปีสี่สามา15ครั้งแล้วก็เป็นวิธีการในการที่จะฝึกสติกับการที่ไปเจอความทุกข์นะเจอทุกข์ถ้าเห็นทุกข์ปัญญาเกิดอย่างที่หลวงพ่ออมคินท่านบันทึกไว้ก่อนบรรณาภาพว่าเจอทุกข์ก็พ้นทุกข์เห็นทุกข์ก็พ้นทุกข์พุกคุณจะพ้นทุกข์ได้คุณต้องเห็นทุกข์นะ ถ้าคุณไม่เห็นทุกข์คุณจะพ้ทุกข์ไม่ได้เลยเพราะคุณจะไม่รู้จักความทุกข์แล้วคุณจะเห็นทุกข์เด้งอย่างไรถ้าคุณไม่ไปเจอความทุกข์นะหรือว่าเาข้าหาความทุกข์ังั้นการการเจอความทุกข์การเดินหน้าเข้าหาความทุกข์เป็นส่วนของการเจริญสติและการฝึกจินะสตสาธุย้ำนะครับก็คือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั้นนะครแล้วก็รู้กายขึ้นไหว เห็นใจคิดนึกนะครัก็คำถามที่2นะครับก็น่าจะได้คําตอบในที่พระอาจารย์ได้ให้ไวแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะทวนอีกครั้งนึงคืออยากทราบเกี่ยวกับการเผชิญชีวิตกับอุปสรรคที่มีความยากลำบากที่สุดในชีวิตควรจะกำลังต้นอย่างไรครับ อ, อุปสรรคของมยากลำบาที่ต้ติดชี่ิตคืออะไรมันเป็นเรื่องสัมผัสนะ<ม>เริ่มต้นจากอุปสรรคความยากลำบากพื้นๆก่อน ในชีวิตประจําวันนะยันนี้มันนะเวลาอย่างที่ว่าอัตมายุตัวอย่างเวลาคุณปวดนะเช่นมีความปวดในร่างกายนะปวดหัวหไหล่แรงต่างเนี่ยนะคุณอย่าคิดแต่จะกินยาอย่างเดียวนะลองเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันมันมีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันที่ฝึกเราได้ mm hmm. เช่นแดดร้อนอากาศหนาว อย่าคิดแต่จะห น, นีมันเช่นเจอพอแต่ร้อนก็ต้องเข้าห้องแอร์หรือว่าพออากาศหนาวก็เปิดทีตเตอร์อะไรเงี้ยลองไปอยู่กับมันไปเจอมันดูเข้าหามันนะมันจะค่อยฝึกมันจะให้วิชาแก่คุณ <c oughs> วิชานี่คือวิชาชีวิตคือวิชาในการที่จะรับมือกับความไม่สงหวังความไม่สะดวกสบาย ความไม่รับเลือนที่เกิดขึ้นในชีวิตและเกิดขึ้นกับการได้ใจของคุณต้องเริ่มต้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ต้องหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้มีวิชาคนหนึ่งแก ท, ทํรรรมมาโทรศัพท์มือถือหายมือถือของแกราคาแพงมากเลยแล้วแกก็ไม่ได้เสียดายแค่แค่เงินที่เสียไปแต่แกเสียดายข้อมูล ในนั้นเด็กกลุ่มใจมากหาไม่เจอทํำยังไงฮะก็เลยไปหาหาลวงพ่อรูปหนึ่งซึ่งเขาซึ่งเขาเลือนว่าท่านเก่งเรื่องการมองดูทางในนั่งทางในไม่ได้ไปหาตํารวจนะฮะไปหาหลวงพ่อนั่งทางนายดูว่าจะหาเจอได้ที่ไหนไปเจอหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ทันจะไม่ไม่ได้ถามเลยนะว่า หายเมื่ อ, อไหร่โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรนะหลงพ่อถามว่ามีทองไหมเอ้มีเ อ, อมีรถไหมมีครับเอแม่หนาก็าไปมีบ้านไหมมีครับแม่นาก็าไปเหมือนกันมีแฟนไหมมีครับแม่นากา็าไปเช่นเดียวกันพอเจอแค่นี้แกลกล่าบหลวงพ่อเลยแล้วไม่ถามต่อนะ เพราะอะไรฮะไม่ใช่เพราะแกกลัวว่าเดี๋ยวจะเจอหนักกว่า น, นี้นะแต่แกคงได้คิดแล้วว่าเออเราอย่างโชคดีนะที่หายแค่นี้เนะพราะต่อไปต้องเจอมากกว่า น, นี้หรือแกก็ได้คิดว่าเออความสูญเสียเป็นธรรมดานะความสูญเสียเป็นธรรมดาแกเลยทําใจได้ แกทำใจได้เพราะว่านุ่เห็นว่าเป็นความสูญเสียนั้นเป็นธรรมดาหรือแกทำใจได้ว่าเออโชคดีนที่หายแค่นี้นะดีที่ไม่เจอหนักกว่า น, นี้คืออติมายว่าหลวงพ่อเนี่ยสอน ด, ด, ดีทำให้แกได้คิดทำให้แกเกิดปัญญาขึ้นมานะและนี่คือสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้เราสามารถจะฝึกได้จากสิ่งเหล่านี้แหละหาประโยชน์จาก เหตุร้ายราที่เกิดขึ้นทีละนิดทีละหน่อยเมื่อปี54มีน้ำท่วมใหญ่ที่ภาคที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็อีกหลายจังหวัดในภาคเหนือก็มีผู้คนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่น้อยเลยเพราะรับสมบาิถุกเสียหายไปกับน้ำบางคนไม่ใช่แค่เสียทรัพย์นะเสียจริตด้วยเพราะปล่อยวางไม่ได้บางคนก็เสียชีวิตเพราะว่าขตัวตาย แต่ก็มีหลายคนที่เขาทําใจได้มีคนหนึ่งเขาบอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้มันได้สอนเขาให้เห็นชัดเลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยอย่างแท้จริงของทั้งปวงนี่อยู่ตลอดเพียงแค่ชั่วคราวมาแล้วก็ไปไม่วันใดก็วันหนึ่งเนี่ยตาลที่ว่าปัญญาเกิดนะฮะนอกจากจะไม่ทุกข์แล้วเนี่ยยังได้ปัญญาถือว่าได้กําไร และนี่แหะคือคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้และควรจะเรียนรู้จากเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเป็นการพบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจหรือพัดพลาดจากสิ่งที่น่าพอใจก็ตามให้มองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นโดยเพราะเหตุการณ์ไร้ล า, ลาเนี่เป็นเครื่องเตือนใจเป็นการบ้านที่ฝึกให้เรามีภูมิคุ้มใจใช่ไหมถ้าคุณมองแบบนี้เนี่ย ทุกอย่างที่เกิดคุณจะที่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นคุณจะดีทั้งนั้นนะแม้สิ่งที่ไม่ดีก็เป็นการบ้านเพื่อฝึกให้คุณเนี่ยข้มแข็งและมีปัญญามากขึ้นแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะพร้อมเมื่อเจอกับเหตุการณ์ร้ายๆซึ่งอาตมาเชื่อคงไม่มีอะไรที่ล้ายไปกว่าความตายโดยเพของเราเองหรือของความตายคนที่เรารับนะอะไรก็ตามที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่ นะมันไม่ใหญ่ไปก่อนอี้แล้วความตายของเราและความตายคนที่เราหลักและที่จริงเนี่ยถ้าเราใช้ความตายที่ว่ามานี่ เ, เป็นประโยชน์มันก็จะช่วยได้เยอะเช่นเวลาเงินหายรถถูกโกงร ถ, ถรถถูกขโมยไปหลายคนเสียใจแต่คุณลองดูถึงความตายลองดูถึงความตายของคุณคุณจะรู้สึกเลยว่า ไอเหตุการณ์นี้มันจิบจอยมากแล้วคุณจะปล่อยวางมันได้เอาความตายเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งนะในการที่จะช่วยทําให้เรารับมือความทุกข์เพราะมันจะทําให้เราเห็นเลยว่าไอความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจิบจอยมากเพื่อไม่กดไลค์โอ้โหจิบจอยมากเมื่อเถื่อความตายเป็นสื่อผิวแห้งผมแตกปลายจิบจอยมากสตีฟจ็อบส์พูดเองนะฮะสตีฟจ็อบส์เนี่ยพูดเอง เ, ยเยลยตอนที่ก็เป็นมะเร็งมะเร็งตับ เขาบอกว่าความความเทวทยานนะความกลัวนั่นแต่ความกลัวล้มเหลวนะไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมันจะละลายหายไปเลยเมื่อนึกถึงความตายความตายเป็นเครื่องเป็นสิ่งที่ช่วยกำราดให้ความทุกข์ทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเราให้กลายเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยไปอประโยชน์เรล่านี้ธรรมะพูดเองนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นวิธีหนึ่งอุบายอย่างหนึง่งนะอุบายอย่างหนึ่งในการที่ช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะผ่านพ้นความทุกข์ความยากได้คือการนึกถึงความตายของเราหรือของคนที่เรารักแล้วเราจะพบว่าเออไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ยังโชคดีที่เรายังไม่ไม่มีวันนี้ไม่ยังไม่ยังไม่ตายหรือยังไม่สูญเสียคนรักนะจึงมีคำพูดว่ามีพระ เราชคณะท่านหนึ่งนะท่านเป็นพระศาสนาโสพลท่านเขียนเป็นกรว่าเราลึกถึงความตายสบายนับมันตัดรักหักหลงในสงสารบรรเทามืดโมดอันตการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจการเจริญร้อนนัสติเป็นเป็นอุบาหอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้สาธุครับ มีคำถามที่จะถามสดนะครับพอดีเราลุกในล า, ลลาราผสมควรนะครับมีไหมครับถ้าไม่มีผมมีคำถามนะครับให้กับชาวโลกเองนะครับพอดีช่วงนี้พระอาจารย์ก็เป็นช่วงหน้าเทศการชิงเม้งนะครับแล้วก็ได้มาจาพระอาจารย์เป็นผู้ที่อนุรักนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จะกลับไนพระอาจารย์จะให้ข้อคิดอย่างไรนะครับในการ ไหว้บรรพชนนะครับก็คือไปชิงแมงมก็จะมีการจุดธู่มีการเผากระดาษเงินทองมีการจุดประทันะครับผของกับคุณพระอาจารย์ให้คําแนะนําเพื่อที่จะช่วยให้คนเก็บมี ม, มีมีข้อคิดในการที่จะลองเตลียมรูปแบบก็แล้วเมงก็มีข้อดีนะฮะคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะรวบรวมญาติมิด นะแล้วก็ลูกหลานให้มาพบกันพร้อมหน้านะถ้าเป็นฝรั่งก็อาจจะเป็นวันคริสต์มาสหรือว่าวันแทนสกีบิงใช่ไหมของเราของคนจีนลูกจีนก็เชงแมงนี่แหละถ้าไม่ใช่ตุดจีนมันก็เป็นการช่วยการสร้างสร้างหรือกระชับความสัมพันธ์ในเคยญาติขึ้นมาโดยอฉพาะนยุปัจจุบันที่ต่างคนต่างอยู่ไปคนละทิศคนละทางถ้าเชงแมงสามารถจรวมลูกหลานญาติมิตร กาใช่ใญาติอย่างเดียวไม่ใช่มิตรแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยให้มาให้มามันก็ช่วยทําให้เสริมสร้างความความความสัมพันธ์ในครอบครัวในบุครือญาติได้และขณะเดียวกันเนี่ยถ้าบว่าถ้าว่ า, า, วามีถ้าว่ามีความรู้ความความรู้เกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของของบรรพบุรุษนะที่อยู่ในสุสานเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ เกิดความรู้สึกถึงการมีารากทางวัฒนธรรมนะคนเราต้องมีรากนะฮะคนเราต้องมีรากและรากเนี่ยโดยเพราะรากที่อาตมาเรียกเรื่องบางทีเราเรียกกำพืชเนี่ยคนเราลืมกำพืชไม่ได้ถ้าเรามีรากมีกำพืชเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้เรามีมีความมั่นคงนะ ้นถ้าเกิดว่าลูกหลานเนี่ยได้มารู้จักหรือว่าได้รับรู้เรื่องราวของบรรพบุรุษนะที่ตัวเมามาทำพิธีเนี่ยมาเส้นไหว้เนี่ยนะมันก็จะอัตมามันช่วยนะทำให้เกิดความไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่ความภูมิใจในโคดเงากําพืชของเรานะแต่ทำให้เราเกิดความซาบซึ้งหรือว่าเกิดได้รับบทเรียนได้รับแรง บ, บันดาลใจจาก วานพรุตของเราซึ่งบางคนอาจจะมาด้วยมาแบบเสร์อพื้นม้อนใบแล้วก็มาสร้างตัวสร้างตัวด้วยความเรียอุตสาหะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันควรจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นนี้หดือว่าคนรุ่นใหมท่ที่หนึ่งไม่มีกำพืชหรือไม่เห็นความสมานของกระร้าเ ง, งาสงไม่ไม่เห็นความสมานของการการความเพียร น, นะความอุตสาหะอดทนต่อความยากลำบากอาจะมาคิดว่าประโยชน์ ส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ละเลยไปแต่ถ้าเกิดว่าเราได้เรียนรู้มันเนี่ย <c oughs> ก็จะมีประโยชน์ส่วนพิธีกรรมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาตมาว่าพูดถึงตามประเพณีนะในหมู่ลูกจีนเนี่ยก็ก็เริ่มจะลดน้อยลงในเรื่องของความความความฟุ่มเฟือยหรือว่าความทุ่มเทงเงินทองเพราะว่าความเชื่อในเรื่องพวกนี้เนี่ยในหมู่ลูกจีนลูกหลังๆเนี่ยก็น้อยลงแล้วนะ แต่ถ้าเราตระหนักว่าถ้าเราตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยอ ง, องเงินที่เราเงินที่เราหมดไปกับกับพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบจะหาประโยชน์ได้น้อยมากมันหาประโยชน์ได้น้อยมากนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกก็พัฒนาการมากขึ้นอาตอมาคิดว่าถ้าหาว่าพยายามถ้าเราตระหนักว่า แทนที่จะเอาเงินเนี่ยนะหมดไปกับสิ่งที่เป็นพิธีกรรมเนะเอามาใช้เป็นประโยชน์ในด้านอื่นถ้าเราจะสร้างชื่อเสียงกิตติคุณให้กับบัพพบรุษก็อาทําในเรืขอุ น, รรนิติอะไรก็ได้ตอนนี้ในฮ่องกงเนี่ยนะมันมีการปรับตัวมากนะฮะคือที่ดินราคาแพงที่ทำวงซุยนี่ก็ก็ก็หายากเดีย๋ยวนี้เขามีวิธีนะฮะ พอมีบริการเปลี่ยนอัฐิมีิธีการเผาเพื่อเปลี่ยนอัฐิของบรรพบรุษเนี่ยของพ่อแม่เนี่ยให้กลายเป็นอั ญ, ญามณีนะแล้วก็พกติดตัวได้ฮะใช่คือไอ้เผากระดูกให้เป็นธาตุเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเงินก็ทำได้นะนะจะให้พ่อแม่เราเนี่ย กลายเป็นกระดูกขาเป็นธาตุเนี่ยก็ได้นะอันนี้ก็อตมาชิก็คงไม่แพงนะหรือถ้าแพงอาจจะไม่ไม่ไม่เท่ากับทำห่วงซุยนะอันนี้ก็เพราะว่าเป็นที่นิยมมากคนคนคนฮ่องกงไม่ได้ไหมายความว่าไม่ได้พูดมาเพื่อชุนชื่อเราทำอย่างนี้เพียงแต่บอกว่ามันมีความปรับตัวนะและคนก็พร้อมที่จะปรับตัวเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็รู้สึกเขารู้สึกว่าไอการที่จะทำห่วงซุย ใช้ใช้เงินทองไปกับเรื่องประเภทณีแบบนี้เนี่ยมันมันจริงจริมันก็ไม่ได้มีมันเป็นความสูญเสียทุ่มเฟือยมากกว่านะที่จริงคนไทยเนี่ยเรามีทัศนคติต่อเรามีมุมมองต่อเรื่องเรื่องงานศพต่างจากคนจีนนะคนจีนเนี่ยทำทำศพเนี่ยเพื่อคนอยู่ใช่ไหมฮะก็คือเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญถ้าเกิดทําให้กับ ความพุทธบุตรดีก็ความสุขความเจริญก็จะเ ก, กิดขึ้นกับเราและการที่ไปไปทํำบ่อยๆเนี่ยไปทําเส้นไว้บ่อยๆเนี่ยก็เพื่อความสุขความเจริญของเราของผู้ที่ยังอยู่แต่ว่าทางพุทธเนี่ยเราไม่ใช่ไม่เห็นในเรื่องความสุขความเจริญในทางโลกแต่ในเรื่องของความเจริญงอกงามในทางธรรมและเมื่อเราไปงานศพเนี่ยเราเจริญมารรณะสตินะเมื่อเราเจริญมารรณะสตินี่มันก็ดีกับเราเองนะศพจะพิธีกรรมเนี่ยจะไม่เป็นต้องทําให้ยิ่งใหญ่ แต่ขอให้มันได้เป็นสื่อในทางธรรมก็ทั้งสมประโยชน์ทําม อ, อางในแง่พุทธศาสนานะีอันนี้จะเป็นคติคติที่ต่างกันระหว่างใจไทยกับจีนรือหว่างหรือระหว่างโคมจืกับพุธนะผุดเนี่ยเรามุ่งให้ความตายเป็นเครื่องเตือนความไม่จีรโลงชีวิตและเพื่อการเจริญร้อนนัสตนะิไม่ได้ทําเพื่อหน้าตาไม่ได้ทํางานศพเพื่อ เพื่อเพื่อความเจริญทางโลกซึ่งเป็นของที่ไม่จีรัง